ทำดีได้ความดีทำชั่วได้ความชั่วทำเหตุได้เกิดทุกข์ก็ได้ความทุกข์ทำเหตุได้เกิดสุขก็ได้ความสุขทำเหตุได้เกิดความเสื่อมเราก็ได้ความเสื่อมทำเหตุได้เกิดความเจริญเราก็ได้ความเจริญเราหนีจากผลที่เราทำไว้ไม่ได้